เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวสวดมนต์กันสักหน่อยดีนะก่อนจะศึกษาพระธรรมานาปารามีสามปนานโนธานาอุปปามีสามปนานโนธานา ปา a ามท p a ารา m ิสามปานโนเม t a าไมตรีคารุณา m u t ิ t a u ุ k ปค p ป m มีสา p ป n นโ i อ i PISO b h บ k a วะ สราปารามิสัมปันโนสราอุปปารามิสัมปันโนสราปรามทธปารามิโนเมตตาไมตรี การุณาโมทิตาอุเปคาปามีสามปานโนอิติปิโสมคาวเนคขามาปารามีสามปานโน ขามาอุปปารามิสัมปันโนขามาปรามาปารามิปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอป ข้าพารามิสัมปันโนอิเตเปโซมกาวปัญญาปารามิปันโนปัญญาอุปปาล สัมปันโนปัญญาปารมาตาปาลาสัมปันโนเมตตาไมตรีรุณาโมติตาอุเปคาปาลาสัมปันโนอิติปิโสมะขวะ วริยาปารามิสสัมปันโนวริยาปารามิสสัมปันโนวริยาปารมาทปาลามสัมปันโนเมตตามัยตริกรุณามุติ คาอุเปคาปามีสามปนโนอิติปสมาคะวะคันเตปารามสามปานโนคันเตรามีสามปนโนคันเต มาตาปารามิปัณโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเพกปารามีสามปัณโนอิเตปิโสมะข่าวสามจาปารามี ปัณโนสัจอุปาปาลามิโนสัจจพารมัทปาลามิสำปันโนเมตตามิตริการุณาุปเปคาปารามิ สัมปันโนอิติปิโส a ขวะนาปารามิสัมปันโนอาทินาอุปปารามิสัมปันโนอา t ิตทานาปรมัต p าบาล ปัณโนเมตตาไมตรีการุณาตาอุเปปารามิสัมปันโนอิติปิสมะกาวะตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารา สามปันโนตาปารามตาปารามีเมตตาไมตรีกรุณหโพธิตาอุเปขาปารามปันโนอิติปิโสภคะวา เปคาปารามิสามปันโนุเปคาอุปปาลาสามปันโนุเปคาปารมาตาปาสามปันโนเมตตาไมตรี การุณาโมทิตาอุเปคาปารามสัมปันโนอิติปิโสบากาวาบารามิสัมปันโนอุปปปารามิสัมปันโน อะระมาตปาระมิสัมปันโนตาม t ยติคุณตาอุเบ a าบาลสัมปันโนอิติปิโสมะขวะพุทธังสรรานคาจามิ ดัมังาระนงาาังคาจามิสังฆังาระนังคาจ า, ามินามงสาธุสาธุสาธุการที่พระพู้มีพระภาคเจ้านได้อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย ท่านกล่าวไว้ในคําสอนท่านบอกว่ากุลระบุกุลธิดาผู้ประพฤติเอื้อเฟื้อใดเกิดแล้วในขณะที่9เป็นผู้ทรงสุตตะนะฟังพระธรรมทรงสุตตะก็คือศึกษาฟังคําสอนมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์บริสุทธิ์ด้วยดีคําว่าอินทรียบริสุทธิ์ได้ดีแปลว่ามีตั้งแต่ปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลนะ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 ก็ต้องยังพระนิพพานอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นให้สําเร็จตามลําดับแห่งการเจริญใช่ไหมผู้ทานนุสติอย่างเราท่านทั้งหลายมาศึกษาศีลบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต้องการที่จะเจริญพุทธคุณในข้อนี้ด้วยแล้วก็ต้องการจะเดินศีลประชุมกุศลศีลเข้าสู่ในกระแสชีวิตของเราให้ได้ด้วยคําว่าชาโตโยเนี่ยกุลบุตรเนะ หรกุลติดาผู้ประพฤติเอือเ้อเฟื้อดเกิดแล้วกุรบุตรผู้ประพฤติเอือเ้อเฟื้อคนใดคือผู้เช่นใดเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในที่นั้นและเป็นผู้มีสัมมาธิที่เกิดขึ้นแล้วนะฟังธรรมมีศรัทธาสัจทินรียเกิดขึ้นแล้วเมื่อศรัทธาเกิดแก่ก้าศรัทธาเป็นปัจจัยแก่วิริยะใช่ไหมวิริยะก็เป็นปัจจัยแก่ สติสติก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยเกี่ปัญญาปัญญาก็เอือ้อเฟื้อต่อปัณต่อศรัทธาศรัทธาและสมาธิตีเกิดขึ้นแล้วในประเทศที่สมควรในมนุษย์โลกคําว่านาวเมคะเนขณะที่9เชื่อมความอลไยกุลบุตรคนใดเกิดแล้วในขณะที่9ที่เว้นจากขณะ8ขณะ8ขณะคือเราพ้นแล้วตอนนี้เนาะพ้นียังเนี่ย การไปเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นหรือยัง <Yeah. S 1> ไม่ใช่ที่ผ่านมาตอนนี้เราพ้ น, นยังเฉพาะชาตินี้ยพ้นหรือยัง <Yeah. S 1> พ้นแล้วชาตินี้นะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกิดยังตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นร ก, ก, น ต, นกตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเปรตวิสัยแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดในรูปภูมิสีแล้ว น, นะสีนะแล้วอะไรกันเนี่ย ไม่เกิดอยู่ในอรูปภูมิไม่เกิดเป็นอรสัญญาสัตตภูมิไม่เกิดในปัจจันตชนบทหรือปัจจันตประเทศประเทศที่พระธรรมมาจักของพระบรมศาสดาแผ่ไปไม่ถึงใช่ไหมศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณพระเจ้าที่แผ่ไปไม่ถึงอ่ะพระไตรปิฎกอันต่างด้วยพระวินยัยยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระพิทารปิฎกเดินไปไม่ถึงนะธรรมาจักของพระเจ้านั้นแผ่ไปไม่ถึงเกิดในปัจจันตประเทศปัจจันตชนบท อินทรีย์หบกพ่องของเราตาบกพ่องไหมตาเออยูเออยจมูกเล่นกายไม่ e MI, บกพ่องนะปัญญาล่ะบางคนเนี่ยศรัทธาก่ออ่อนแอนะอะอ่อนแอมากมากวิริยะก็ออ่อนแอสติก็หลงเลืองเลอะสมาธิกเป็นคนโง่คนขาวเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเราพอที่จะเงนี้โสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ฟังระทำ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 และอสัญญาเป็นต้นปัจจันตประเทศอินทรีย์บกขล่องมีอินทีห้าเป็นต้นไม่บริบูรณ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นในขณะทั้ง8นั้นเราพ้นแล้วในชาตินี้แปลว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นสัตว์นรกเราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจานเราไม่ได้เป็นเปิดเป็นเปรืเราไม่ได้ไปอยู่ในปัจจันตชนบทเราไม่ได้เกิดเป็นอสัญญสัตว์เป็นต้นเลือรูปภูมินะ แล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่ศรัทธาก็ไม่มีวุริยาสติปัญญาก็ไม่มีเนี่นะเป็นคนโง่คนเขาคนเส้นนี้ไม่ใช่และไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงและตอนนี้พระบรมศาสดาก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าขณะทั้งแปดนี้เราได้แล้วเมื่อเราได้ในขณะทั้งแปดเนี่ยเราก็มาได้เป็นสุตตะธโรก็เป็นผู้ที่ทรงสุตตะเนาะคุรระบุร กุลและธิดาฟังพระธรรมวินัยศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาของที่พระบรมศสาสดาทรงกล่าวทรงแสดงแล้วทรงจําพระธรรมวินัยที่ตนฟังมาแล้วด้วยใจนะที่ท่านภาษารีบุตรกล่าวไว้อย่างไงภิกษุภิกษุนิุบาสุบาสิกาเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเท่าลายคือเป็นผู้ฟังมากฟังมากต้องฟังสิ่งที่ถูกด้วยนะไม่ใช่ฟังเลอะเลือนไปทั่ว เขาไปก็เปิดวิทยุฟั ง, ฟงทุกฐานนี้เลยอย่างนี้ฟังมากว่าโอ้โยอมฟังทำมาตั้งแต่เด็กนะท่านรู้ไหถาม่าฟังตรงไหนหยอมฐานนี้ไหนมีฟังหมด <c oughs> ยุ่งเลยแต่เนี้ยนะต้องเลือกไหมต้องเลือกที่เป็นพระสัตธรรมที่พูดถูกต้องเลยวนะ่าอันไหนที่มันไม่ถูกก็รีบบิดหนีนะฟังที่มันถูกเอ้าใครจะบอกเราว่าถูกหรือไม่ถูกอ้าวพระพุทธเจ้าบอก ก็ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจเสียเราจะได้ฟังถูกเนาะกุนระบุต้นั่นแหละเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายมีความงามในเบื้องต้นศีลเป็นความงามในเบื้องต้นไหมสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางปัญญาเป็นความงามในที่สุดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมศีล ส, สมถาวิปัสนาเป็นความงามในเบื้องต้นมรรคผลเป็นความงามในท่ามกลางพระนิพพานเป็นความงามในที่สุดนี้ก็ได้นะ ทนั้นนั่นแหละฟังความงามก็หมายความว่าศึกษาฟังวัฒน์ทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดถึงพร้อมได้อัดฐานและบพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิองอย่างครบถ้วนแสดงพระรมจารันบริสุทธิ์แล้วจําสาธยายได้คล่องปากได้จำได้สักสุดนี่เนี่ยส ง, งสาธยายทำมาจากกันดูไหมใส่ <c oughs> ไม่เป็นเลยเดี๋ยวไว้ง่วนหน้าเนาะ พูดเป็นงวดเดี๋ยวเป็นหวยยังไม่เอาเอาไว้โอกาสหน้าอามาชอบพูดตามโยมก็อยู่เลยเลยงวดหน้านะท่านเอามาก็ไม่รู้แต่ก่อนมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมมีคนก็พูดกันงวดที่ออกเอ๊ะเหงงวดที่ออ ก, องงออกนี่มันอะไรเนี่ยเอาหวยเนี่ย <c oughs> เสร็จเลยนั้นคําว่างวดหน้านี่มันเป็นภาษาหวยเขาไม่ดีนะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามี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 พระผู้มีพภาคเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระทิ์ได้ทรงแสดงปุถุชนไว้สองประเภทนะอันท้ปุถุชนประเภทหนึ่งกัลยาณ์ปุถุชนประเภทหนึ่งในปุถุชนทั้งสองประเภทนั้นปุถุชนใดไม่มีโยนิโสมนศิการในการเรียนในการสอบถามในการในพระธรรมทั้งหลายอันต่างด้วยวันหนึ่งเรามาถามเรื่องขันบ้างมาเรื่องรู ป, ปะขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขัน เรื่องจากขวาญานารูปายาธนาโสตาญานาศัทธาญาณาเป็นต้นเห็นไหมไล่ขันห้าญาณาสิบสท่า18บสัจจะอินทร์ปฏิจจสมบตัติอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็สอบถามศึกษาเราเรียนเรียนเรื่องศีลไงมาสอบถามเรื่องศีลถามเรื่องเจตนาศีลถามเรื่องเจตสิกศีลจะถามเรื่องสังวรศีลถามเรื่องอวีติกรรมศีลศีลคือมีการไม่ก้าวล่วงเป็นอย่างไร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 เอาเลยศีลเป็นสัจจอะอะไรอาศีลเป็นสัจจะอะไรศีล ส, สมถาวิปัสนาเป็นสัตสัจจะอะไรเน่ยไหมถ้าศีลที่เป็นปุปปภากันก็เป็นมรรคสัจจะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พลอยเป็นทุกขสัจจะไปด้วยนะอย่าลืมนะแต่จริงๆแล้วเป็นสัจจะที่ควรจเจริญไหมควรเจริญศีลควรจเจริญใช่ไหมพวกเราไปเอา ศีลมาควรละฉั้นถึงได้เป็นแบบนี้บางคนอย่าเพิ่งรักษาศีลเลยแปลว่าอะไรเดินซะจากผิดไหมผิดแล้วศีลควรจเจริญควรอบรมควรทําให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตใช่ไหมควรทําให้เกิดตลอดลึกเป็นพักๆนั้นต่อไปเลิกคิดศีลเป็นพักๆบอกไม่เอาแล้วถ้าใครมาชวนให้ศีลเราขาดบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณทําให้ศีลเราเดินไม่ได้ ตอนนี้เรากำลังเดินติดเครื่องกุศลศีลอยู่ใช่ไหมตอนนี้กุศลศีลกําลังติดเครื่องแล้วอย่าไปดับเครื่องอย่าไปดับเครื่องกุศลศีลถ้ามันไม่มีน้ํามันก็ใส่น้ํามันก็เข้าไปใช้ใส่ข้อมูลใช้ใส่ข้อมูลใส่ความเข้าใจเข้าไปแล้วก็สตาร์ทศีลก็จะเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊ปเนื้อตลอดเลยดีไหมแต่ใครจะทําให้ศีลเราดับแล้วก็บอกไม่เอาไม่เอา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 รู้แล้วว่ามันเป็นตัวตัดราของศีลคือมันอย่างงี้มันเหมือนอย่างนี้ว่าตัวน้ํามันรถเนี่ยสังเกตุไหมถ้ามันมีอะไรมาแปดเปื้อนมาปนมันจะไม่ได้เรื่องแล้วเครื่องจะเข้าจะเข้าเจะเสียจะเดินไม่ได้หรอกฉะนั้นน้ามันมันต้องดีไอ้กรณีนี้เหมือนกันถ้าตัวตัวศีลที่มันคล้ายๆศีลแต่มันไม่ใช่ศีลเนี่ยต้องระวัง เช่นนึก ว, ว่าเป็นศีลเช่นแล้วก็รักษาแล้วก็สมาทานแต่แล้วก็เครียดทั้งวันแล้วก็กังวลด้วยโลภด้วยโกโรธ ด, ด้วยหลงด้วยแล้วก็ออกสมาทานศีลใครแตะต้องก็ไม่ได้ใครว่านิดหน่อยก็โกรธอะไเงี้ยนะอันนี้สังเกตนันไม่ใช่ศีลแล้วไม่ใช่ศีลแล้วรักษาศีลมาตั้งงานเป็นคนขี้งดหงิดหน้าดูเลยอะพูดจาก็หยาบคายใช่ไหมแล้วบอกว่าเราหวังดีนะเนี่ยเหมือนมาแต่มาสมัยก่อนเนี่ยมาเมื่อไหร่มามีศีล สอนนักเรียนเนี่ยมากโกรธเขาตอนนั้นเน่ยสอนพระสอนนี้เนี่ยมาไม่ได้ไปสอนสอกสอนพระสอนนี้ก็กโกรธท่องไม่ได้มาก็บังคับเคขาแล้วก็ว่าเขาแรงๆนะบางทีอ่าเนี้ยว่าเขาแรงๆพอ ม, มาตรวจสอบมาพิจารณาดูเองนี่ผิดแล้วเนี่ยที่ไหนได้ทําตัวเป็นพัดลมอยู่เดิน <laughs> เป่าคนอื่นเย็นตัวเองร้อนจดืตายไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยมันไม่มีศีล ใช่มหมยิ่งเย็นไม่มีศีลเข้าใจอย่างแต่เนี้ยศีลมันต้องกายสะอาดวาจาและใจสะอาดมันต้องเย็นไม่ศีลเนี่ยศีลศีละนะเย็นด้วยนะมีสาวะเย็นด้วยนะสาวะเกษมเป็นต้นด้วยศีลนี่ยเป็นศีระก็ได้ใช่ไหมศีสะคือเศียรเนี่ยตัดศีสะแล้วแขนเดินไปได้ไหมแขนก็กระดึอบกระดือบไม่ได้ขาก็เดินไม่ได้เอาไยว่าสื่ออื่นตายหมดไหม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 ลองจะมาทุ่ศีลลงลองเกิดทุ<ๆ>่ศีลแล้วจะไปเดินกุศลธรรมอะไรก็เดินไม่ได้ใช่ไหมเอามาคุยกันตลอดโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วถ้าศีลของอามาเสียหายมาก็จะไปเดินกุศลนั่นแะก็เดินไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้อามาก็ต้องไปนั่งทุกข์นั่งกลุ่มอยู่นั่นเลยใช่ไหมนะข้าวนะข้าวอามาก็ต้องไปนอนเครียดอยู่คนเดียวใช่ไหมกังวลรู้ทำไมไม่รู้อ่ะถ้ายิ่งศึกษามากทําไมจะไม่ทราบ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 กับกลายเป็นความโผงความโล่งความเป็นอิสระและเป็นไปกับปัญญาเป็นไปัยกับศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเลยนี่เป็นความคล่องมากในกรณีถ้ากุศลศีลเดินนะทีนี้ปุถุชนมีสองอางพวกอันท้ปุถุชนก็เป็นปุถุชนผู้ไม่มีการเรียนไม่มีการสอบถามไม่มีการฟังดังกล่าวแล้วในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วนั่นแหละปุถุชนโดยมีเหตุดังกล่าวนี่แหละชื่อว่าอันท้ปุถุชนแต่ถ้าหากกัญญาลาปุถุชนก็คือว่า ส่งกันข้ามเลยเรื่องวิจัยเรื่องอะไรสอบถามเรื่องศีล3ามเรื่องเจตนานศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวีติกมามศีลเลยใช่ไหมแล้วก็สอบถามเรื่องปาติโมกข์สังวรศีลเป็นอย่างไรอินเดียสังวรศีลเป็นยังไงอาชีวปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรปรัดจิยสันนิสิตศีลเป็นอย่างไ ร, งไรลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากัญญาบริชนทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้นะ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 ถ้าใครไปคัดค้านไปหักชิ้นและจักรของพระุทเจ้ า, นาเนี่ยเนี่ยเสียหายเลยตอนนี่ยนะกระแสของชีวิตแทนที่จะเดินไปตรงพระนิพพานก็ละหกละเหินเลยขนาดพระบรมศาสด า, สดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเกิดเป็นโชติปาระเมตอนเป็นมานอกที่เป็นโชติปาระที่มีเพื่อนคติกาละเป็นผ้านาคา <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเป็นผ้านาคา <c oughs> ที่จริงถ้าท่านจะบรรลุชาตินั้นท่านก็บรรลุได้นั่นน่ะ แต่ท่านไม่ได้บรรลุชาตินั้นท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิก่อนนะแต่ท่านจะเป็นไม่นานเพื่อนก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุพทธญาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านค้านไงนอู้สัมมาสัมโพธิญาณจะมีแต่ไหนอยู่ยังคุยกับพระเลยวันก่อนยังคุยกับท่านมีชัยบอกโอ้ท่านมีชัยก็ปาลบว่าเออพูดแค่นี้ไม่น่าบาปขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม พูดแค่แม้สัมมาสัมโพธิญาณจะมีแต่ไหนโอ้ยหลงทิศหลงทางอยู่หปีแทบตายเลยเงี่ยนะโอ้เพราะอะไรเนาะทําไมตำหนินิดเดียวทําไมให้ผลรุนแรงขนาดนั้นที่ไหนได้ออ้ยสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นของสูงถามว่าสัมมาสัมโพธิญาณอะไรให้มาอะไรให้มาอารหัตตะมักอรหัตผลให้มา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 คาว่าสีเลนะสุตินทริโยเป็นผู้มีอินทรีย์สังวรมีสุดเนี่ยท่านอธิบายผู้มีอินทรีย์6นื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจนืที่กระทาการปิดบาปด้วยความบริสุทธิ์ทั้ง4ประการนั่คือปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะบริสุทธิ์ทีศีลปัจจะยสันนิสิตศีลเรามาเรียนของเรื่องปาฏิโมกสังวรนะฮะ แล้วก็สติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยตรงนี้ก็คือจริงๆส่วนหนึ่งก็เรียนปฏิโมกสังวรใน อ, อินเรียสังวรปฏิโมกสังวรก็คือศรัทธาเป็นศีลสังว ร, ร, ร, ร, ร, ร, รนั่นเองศรัทธาไหนในศีลสีประกา ร, ร, ร ม, มีปฏิโมกสังวรเป็นต้นเนี่ยกลุ่มบททั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นนั่นเองเป็นตัวศีลเห็นไหมเวลามากล่าวในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีล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 ทวารออกมาทางวจีทวารกายก็มาทําบาปใช่ไหมทางพระท่านก็วางหลักไว้เยอะเลยเริ่มตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิ ด, ผดในกางก็ไปอีช่วงเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะทางวจีทวารก็มีการพูดอวดอุตรีมนุสธรรมเป็นต้นเงนี้ยนะลักษณะถ้าเป็นพระนี่นะเนี่ยมันจะเผยออกทางเนี้ยทางกายทวารวจีทวารที่ไหนได้มันเริ่มทุศีลที่ใจใจมันทุศีลก่นแล้วใช่ไหมเราสังเกตไม่ยากแล้ว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 ตาตาถลนออกมาเป็นโลผ้าหรือโทรศั์หรือโมหะใช่ไหมโลผาโลผ้าแม็กดันลูกตาถลนออกมาได้ในประเทศไทยไมย่ในโลกนี้ยังไม่เคยเห็นคนงามขนาดตาถลนออกนอกเบาอยคือเห็นแล้วคนดูนะดูปั๊บตาวิ่งออกมาข้างนอกได้ถ้าอย่างนี้งามแท้ไหมงามจริ ง, รง<ล>ๆก็เลยไปรายงานไงพอแย่งกันแล้วก็ไปบอกท้าวส ก, กัดบอกโอท้าวส ก, กัด ถ้าไม่ได้นางผมรักมากเท้าสกาธิเท้าก็ก็ตื่นเต้นนะถามว่าท่านรักขนาดไหนขนาดเห็นปา้าในตาผมถลนออกนอกเบ้าเลยรายงานพระราชาอีกคนนึงก็บอกโอ้ผมนา ก, กว่าท่านนีกเอาแล้วท่านก็เทียบบททนหนึ่งว่าขนาดไหนใจของผมเนี่ยแทบจะหลุดออกมานอกขั้วเต้นอย่างกองเลยตุ่ ม, ต, มตุ่มเลยพอเห็นนางว่างั้นทนไม่ไหวสวยงาม ยมามวัดก็เห็นใครงามขนาดใต่นหน่อมมาแรงๆขนาดนั้นคีบไหยังไม่มีนะแสดงว่าไม่งามจริงเ้า<ม>บอกว่าฮะเทพพิิดาเนี่ยนะถ้าชั้นดาวดึงเนี่ยถ้ามาเที่ยวกับพวกเรานี้ยุ่งเลยว่ะยุ่งเลยเหมือนพนันทาขึ้นไปดูกับพระเจ้าใช่ไหมก่อนจะขึ้นไปที่บอกเห็นลิงแก่ๆตัวหนึ่งตอนนางชนนางปั ชนบทเนี่ยชนบทกรญญายาณีไงงามห้าอย่างนั่นน่ะนางเป็นหญิงงามเขาเรียกนางงามจักรวาลเนี่ยชนะป่ท่ากรยานยีคือนางจักรวาลนางงามจักรวาลงามมากโอ้โหเปรียบนางจากนางมาถึงเปียดนางงามจักรวาลเสียหายเลยพอขึ้นไปในพุทธเจ้าชี้ให้ดูลิงแก่ๆตัวหนึ่งนั่งบนตอไฟก็ไหม้สั่นเทิมอยู่เนี่ยเนืหางก็ด้วน ขึ้นไปบนสวรรค์พอไปเห็นโอ้โพนันธันธาใจหลุดหลุดจากนางชน บ, บทกลยา น, นีตอนที่โอ้หูมีงามอย่างนี้ด้วยเลยใช่พระเจ้าก็เลยให้ประพติธทรรมบอกว่าถ้าบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยยกให้เธอหมดเั้อย่างโหใครควรใหญ่เลยให้ไปเจริญแลใช่ไหม เกษาโลมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดูสิดูพวกเจ้าให้กรรมาฐานนี <c> ่ <oughs> หัไห้ไปโอ้หลุดเลยเรียบรอ้อยนี่แปลว่าอะไรอ่ะก็ถามว่านันทะชนบทกระยาณีกับเทพธิดานลองเปรียบกันดิบอกโอ้นางชนบทมันลิงแก่ไปเจ้าค่ะ มันลิงแก่ๆตัวนั้นนะโอ้ถ้าภรยายรยาได้ยินอดีตภรรยาได้ยินนีกแทบเป็นลมเลยเนะนี่ยครำเนะี้ยเนี่ยทิมเหมือนเอาเอาหอกทิมไปที่ใจเลยเนี่ยถ้าพิจารณานี่งามจริงนะอีกท่านหนึ่งก็บอกใจของท่านเต้นมายังกองกองตี ต, ตูมตัวเท้าสกาโอ้ทั้งนั้นพวกท่านน่าจะน้อยกว่าพระเจ้าแล้วตา เขาจะเขาจะไม่ได้นางมาอยู่ด้วยหรืสงสัยใจขาดตายเดี๋ยวนี้เลยเขาเลยยกถวายเท้าสก่าไปโอ้ยดังนั้นพระองค์อย่าเพิ่งด่วนสวรรคตเลยถ้าสกะมีงานเยอะเนียงานท่านเยอะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เท้าสก่าเป็นพระโสดาบันเลยนะเป็นพระโสดาบันองค์ปัจจุบันนี่นะเป็นสําเร็จพอฟังสักกะปัญหาสุขพระเจ้าแสดงถามเรื่องปัญหา ว่าเหตห่งการขัดแย้งเป็นต้นตรงนี้นี่แหละในลักษณะอเี้ยปาติโมกสังวรศีลใช่ไหมตัวปาติโมกสังวรศีนนั่นแหละชื่อว่าศีลเพราะมีลักษณะควบคุมควบคุมอะไรควบคุมไม่ให้ควบคุมผู้ที่รักษาศีนนั่นแหละถ้าเรามีปาติโมกสังวรศีนศีลหศีลแปดศีนสิถ้าพระก็ศีน2องเป็นต้นเหล่านี้ตัวปาติโมกสังวรศีลอันต่างโดยเจตนาศีนเจศศีนสังวรนาวีติกมาห้นั่นแหละ แต่ก็มาเรียกเป็นปฏิโมกสังวศรศีลใช่ไหมแต่ตัวสภาวะของศีลก็คือตัวเจตนาเป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องศีลอย่างนี้ก็เจาะถึงสภาวะได้แล้วก็เข้าใจแล้วทีนี้ตัวลักษณะนี้ก็จะมาควบคุมกายกรรมวจีกรรมโดยการที่ว่าบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่ถึงการเผยออกมาทางกายทวาวรวจีทวารเป็นอันถูกห้ามไปด้วยอะไรด้วยปฏิโมกสังวศรศีล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 เพระตัวกุศลศีลนั้นต่างด้วยเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรนาวีติกามาเป็นต้นเน่ยที่เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลหรือตัวศีละสังวรเนี่ยหรือตัวสติสังวรเป็นต้นเนี่ยมันเป็นตัวกลุ่มของเจตนาทั้งหลายหรือกลุ่มของเจตนากลุ่มของเจสิกทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นน่ยประชุมในกุศลจิตแล้วเมื่อประชุมในกุศลจิตเกิดขึ้นที่ใจใจตอนนั้นต้องไม่โลภใจตอนนั้นต้องไม่โกรธใจตอนนั้นต้องเป็นไปกับกับปัญญาเป็นต้น นั้นตัวศีลต่างๆเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะปิดบาปประรรมทั้งหลายคือปิดราคะโทสะโมหะไม่ให้เผยออกมาทางกายทวารและวจีทวาน